สภปาปัสะอะกระนังพระพุทธเจ้าคือหมอชั้นเอกยาก็ท ร, รมโอสดอันเยี่ยมคนไข้ก็คอยรับยาอยู่แล้วจึงเหมาะสมกันอย่างยิ่งผลคือความรู้แจ้งแทงตลอดมักผลนิพพานไม่สงสัยทุกวันนี้นักบวชเป็นประเพณีทำเป็นประเพณีไม่จริงจังต่อธรรม คำจะหลงไหลเล็ดลอดเข้าไปสู่หัวใจได้อย่างไรผู้นั้นต้องเป็นโมคะอยู่โดยดีปัจใจสี่มีมากน้อยเพียงอาศัยไปวันวันเท่านั้นไม่ถือเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นจริงยิ่งกว่าธรรมที่กําลังบําเพ็ญอยู่ด้วยความเอาจริงเอาจังความฉลาดของนักธรรมะคือฉลาดแก้กิเลสออกจากใจ ไม่เหมือนความฉลาดของโลกที่ก่อทุกข์ให้ตัวเองและผู้อื่นไม่มีพระพุทธเจ้านำธรรมง่ายๆมาสอนโลกว่ากินอิ่มแล้วให้นอนสบายเถิดกิเลสหลุดไปเองเพราะไม่ใช่ทางของการแก้กิเลสบขันธ์ดีตอนท้ายเทศอูปเปลหมอนมุง ยางเผ็ดร้อนมากอัดและฟังได้ทั่วไปกันนี้ดีมากปลุกใจดีมากด้วยไม่มีพูดต่อท้ายในพระโอวาทปาติโมกท่านแสดงไว้สามข้อที่เป็นข้อใหญ่ใจพาน รวมศาสนาทั้งหมดและวิธีการทั้งมวลเกี่ยวกับการบำเพ็ญและปฏิบัติตามหลักศาสนาอยู่ในหัวข้อทั้งสามนั้นหมดท่านสอนไว้ว่าสัพปปาปัสสะาการนังการไม่ทำบาป ทั้งปวงหนึ่งไม่ว่าทางกายทางวาจาทางใจกุศลสู้ประสัท ป, ป, ประดาการยังกุศลคือความฉลาดให้ถึงพร้อมห น, นึ่งสติปโยดปันังการทำจิตขางตนให้ผ่องใสจนกระทั่งถึงความบริสุทธ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 พระปรีชาญาณสามารถอย่างทราบในธรรมทั้งหลายและพุทธประเพณีที่สืบเนื่องมาแต่อดีตของพระพุทธเจ้าทั้งหลายกพ็พระพุทธเจ้าแต่ละโพ์ทรงสามารถทราบเรื่องราวได้อยู่จึงไม่มีอะไรที่จะผิดเพี้ยน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 ก็เพราะจิตใจของสัตว์โลกนั้นมีความโง่เป็นพื้นเพยอยู่แล้วมาแต่การไหนไหนไม่ใช่เป็นความฉลาดฉเฉลืยวมาแต่ก่อนแต่ไรเลยมีพื้นเพแห่งความโง่เขลาเบาปัญญาประจำอยู่เป็นพื้นฐานของใจเพราะยิเลศวางพื้นฐานอันโง่ให้แก่สัตว์โลก ตัวชียเลศนั้นไม่ว่าประเภทใดมีความฉลาดแหลมคมมากไม่ได้งูเหมือนสัตว์โลกจึงได้ครอบครองหัวใจของสัตว์โลกได้ทุกทุกตัวสัตว์ไม่เว้นใครเลยนี่เป็นพื้นฐานดั้งเดิมไม่มีข้อยกเว้น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 ไม่นิยมคำว่าปัญญาเช่นเดียวกับคนนอนหลับแต่ไม่ใช่หลับผิดกันที่ตรงนี้นี่เป็นความสงบของจิตความรวมความเป็นองค์แห่งสมาธิเอ็มภูมิของจิตอีกเช่นท่านเข้านิโรธสมาบัตินั่นไม่มีคำว่าสติไม่มีคำว่าปัญญา ไม่มีคำว่าการสถานที่สมมุติทั้งมวลที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกายของตัวก็ไม่มีญ า, าติมิตรสารโรหิตขึ้นชื่อว่าสิ่งเกี่ยวข้องสมบัติพัสฐานบริขารเครื่องช้าต่างๆหมดไปโดยสิ้นเชิงในขณะจิตเช่นนั้นดึงไม่นิยมกับคำว่าสติ นั่นไม่เกี่ยวแล้วสติท่านท่านผู้เข้านิโรธสมาบัติกับจิตที่ลงอย่างแนบสนิทในตัวเองก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันหากเป็นหลักธรรมชาติของจิตเช่นนั้นใครจะไม่มีแก่ใจเสียสรตั้นยอให้มีสติขึ้นมาอยู่ก็เรียกว่าทางานอยู่นั่นแหละการมีสติระมัดระวังอยู่เรียกว่าทำงานทั้งนั้น ในขณะนั้นจิตไม่ทํางานจิตดูตามสภาพของจิตโดยแท้จิตแม้จะมีกิเลสอยู่ภายในนั้นก็เป็นจิตที่อยู่ในสภาพของตัวเองแห่งความสงบนอกนั้นต้องได้ใช้สติเป็นของสําคัญด้วยเหตุนี้และสามกทั้งหลายจึงปราศจากพระพุทธเจ้าไม่ได้พระพุทธเจ้า ถ้าเป็นหมอก็เป็นหมอชั้นเอกไม่มีใครเสมอแล้วรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเรื่องสมุทฐานของโรคเป็นโรคอะไรเกิดมาจากสาเหตุอันใดวิธีที่จะระงรับดับโรคนั้นด้วยยาขนาดใดวิธีการใดพระองค์ทรงทราบทุกแง่ทุกมุมในบรรดาธรรมโอสถที่จะมาแก้กิเลสซึ่งเป็นตัวภัยต่อจิตใจ การแนะนำสั่งสอน <c oughs> จากพระโอษฐ์จึงมีน้ำหนักเต็มร้อยเปอร์นร้อยเปซผู้ได้ฟังทำจากพระโอษฐ์นั้นจึงเป็นเหมือนกับหยิบยื่นจากพระไัยของพระองค์สวมใส่เข้าไปจิตใจของผู้สดับธรรมทั้งหลายเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่มีปลอมมีแปลงไม่มีก้างไม่มีกระดูกมีแต่คุณสมบัติของโอชารสแห่งธรรมล้วน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 พระพุทธเจ้าตรัสรู้ถึงความจริงก็เต็มเม็ดเต็มหน่วยการแสดงออกเกี่ยเป็นพระโอวาสแจกบรรดาสัพท์โลกทั้งหลายก็แสดงออกมาจากของจริงที่ทรงรู้แล้วเห็นแล้วไม่สงสัยแม้แต่นิดหนึ่งในพระไตรปิฎกทำจึงเต็มเม็ดเต็มหน่วยในการอบรมสั่งสอนผู้ฟังฟังด้วยความ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 เพราะผู้ฟังมีน้อยผู้ปฏิบัติมีน้อยเขายังไม่เข้าใจเรื่อศาสนาว่าเป็นอย่างไรดังที่ตรงแสดงแก่เป็นจบกีทั้งห้าก็ได้บรรลุมรรคผลนิพพานเพียงห้าองค์นั้นเท่านั้นในเบื้องตน้นต่อจากนั้นไปก็ค่อยขยายกว้างขวางไปสําเร็จมรรคผลนิพพานแต่ละครั้งจํานวนมากขึ้นมากขึ้นผู้มาเกี่ยวข้องมีมากเพียงไรซึ่งเป็นเหมือนคนไข้ที่รอรับยาอยู่แล้วยาเขาเป็น ธรรมโอสถอย่างเอกหมอ เ, เป็นหมอชั้นเอกคือพระพุทธเจ้าทรงเป็นหมอชัเอกด้วยแล้วก็เข้าบรรจบกันได้โดยถูกต้องเหมาะสมผลจึงเป็นเหตุให้สำเร็จมรรคผลนิพพานไปโดยลำดับหนั่หรือว่าหายจากโรคเ ส, สียดแทงหงวัวใจ หรือโรคที่เคยขยี้หัวใจมาเป็นเวลานานได้แก่กิเลสตัณหาอาสวะประเภทต่างๆได้สลายตัวไปหมดเหลือตั้งแต่ธรร ม, มชาติตล้วนคือธรรมที่บริสุทธิพุทธโธเป็นขั้นๆไปตั้งแต่พระโสดาสกิธาอนาคาจนกระทั่งถึงอารหันตบุคคลเป็นผู้ครองสมบัติ พันล้นค่าขึ้นไปใ น, ในจิตใจได้นี่คือหมอชั้นเยี่ยมนิศาสดาชั้นเอกทรงสั่งสอนสาว์โลกด้วยความรู้แจ้งเห็นจริงจริง ๆ, ๆผลจึงปรากฏเช่นนั้นแต่นี่บรรดาสาวกทั้งหลายท่านที่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานเต็มภูมิของตนแล้ว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 จิตใจของผู้ทิ้นน้ำเข้าสู่ความจริงแห่งธรรมทั้งหลายเพื่อความหยุดพ้นเหมือนครั้งพุทธ ก, กาลนั้นมีมากเพียงไรสิ่งเหล่านี้ต้องลดลงไปโดยลําดับลําดับจนกลายเป็นเรื่องที่ว่าบวชเป็นประเพณีดูเป็นประเพณีบวชเป็นประเพณีอะไรก็กลายเป็นประเพณีไปหมดความ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 ทำไม่กินเจตนารือ จ, จิตใจภาชนะซึ่งเป็นภาชนะอันสำคัญนั้นมันความมันตะแคงไปไหนก็ไม่รู้แล้วน้ำที่ไหนจะไปเที่ยวไหลซอกแทกเข้าไปสู่ภาชนะเช่นนั้นยิ่งน้ำอัดน้ำทําด้วยแล้วถ้าไม่ได้ตั้งใจฟังด้วยเจตนาเหมือนอย่างว่าล้นพ้น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 นอนใจในเอียบุตรต่างๆแม้จตุปัจัยทั้งสี่จีวรมิสมบาทเสยนาธนะทิฬานะเพรศัตซึ่งเป็นสิ่งที่อาศัยนั่นก็สักแต่ว่าอาศัยจริงๆ จ, จิตใจไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องพัวพันยึดถือสิ่งเหล่านั้นเป็นอารมณ์จนเป็นของกิงขึ้นมาแทนอัตธรรมซึ่งเป็นของกิงทั้งหลายท่านไม่มี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 ตั้งแต่ครั้งพุทธการมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้เป็นสวคขารธรรมเพื่อนำสัตว์โลกให้พ้นจากทุกข์ได้เช่นเดียวกันและคำว่ามัชชิมาปฏิปทาก็เป็นธรรมที่เหมาะสมแก่การปราบปรามทิเล็ทุกประเภทให้สิ้นไปจากใจเพื่อมรกผลนิพพานที่จะได้บรรตุเต็มหัวใจของตนเช่นเดียวกันกับครั้งพุทธการท่านจึงจเรียกว่ามัชชิมา คือความเหมาะสมอยู่ตลอดเวลาทั้งฝ่ายเหตุคือการปราบกิเลสด้วยความเพียรด้วยอาวุธมีสติปัญญาสัทธาความเพียรเป็นสําคัญเหมาะสมในการที่จะปราบกิเลสทุกประเภทไม่มีกิเลสประเภทใดที่จะมีอานาจเหนือมัชฌิมาปฏิปทาของพระพุทธเจ้าไปได้เลยเมื่อได้ยินได้ฟัง ตามหลักธรรมที่ท่านประพฤติปฏิบัติครูบาอาจารย์ประพฤติปฏิบัติและรู้จริงเห็นจริงมาแล้วมาสั่งสอนด้วยความจริงที่เคยรู้ก็เห็นมาแล้วแ่ผู้ที่มีความสนใจเพื่อมรรคผลนีล้ผ่านอย่างเต็มใจอยู่แล้วผู้นั้นต้องได้รับผลเป็นลำดับลาดาเราเองไม่สงสัยเพราะธรรมนี้เป็นธรรมที่ท้าทายอยู่แล้ว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 ไ, ไม่นอกเหนือจากมัทิมาปฏิปทาที่ทรงสอนไว้แล้วนี้โดยถูกต้องมั่นยำนั่นเลยแต่การที่จะประพฤติปฏิบัติอุบายต่างๆที่จะนำมาปฏิบัติตนเองนีเป็นสิ่งสาคัญมากถ้าไมไ่รับการศึกษาอารมเพียงเราไปดูตามตำลับตำลาเราไม่ได้ประมาทตำลับตำลาท่านแสดงไว้เป็นกลางก เหมือนกับยาที่บรรจุไว้ในตู้เต็มตู้เต็มหีบมีแต่ยาทั้งนั้นแต่ถ้าไม่ทราบว่ายาขนานนั้นขนานนั้นรักษาโรคชนิดร่แล้วนำยานั้นมารักษาอย่างน้อยก็ไม่เกิดผลเกิดประโยชน์มากกว่านั้นก็เป็นอันตรายธรรมะคำสั่งสอนของพุทธเจ้าก็เป็นเช่นเดียวกัน ธรรมะนั่นจริงแต่ผู้ไปหยิบเอาธรรมะประเภทนั้นๆมาปฏิบัติต่ตอตนเองนี้หยิบมาไม่ถูก mm hmm. เมื่อเอามาปราบกิเลสแทนที่จะเอาทางคมลงก็กลับเอาสันลงเสีย mm hmm. แล้วกลายเป็นยื่นด้ามดาบให้กิเลสฟันเจ้าของอีกเสียเพราะไม่เข้าใจวิธีปฏิบัติด้วยเหตุนี้การศึกษาอบรม จากครูจากอาจารย์ที่ท่านดําเนินมาแล้วด้วยความชํานิชานาญและรู้แจ้งเห็นกินในทำทั้งหลายภาคสมาธิภาคปัญญาตลอดภาควิมุตติหลุดพ้นมาโดยลำดับแล้วนั่นจึงเป็นสิ่งที่เหมาะสมอย่างยิ่งที่จะไม่ทําผู้นั้นซึ่งมีความตั้งใจอย่างเต็มใจยอยู่แล้วให้เสียเวลาเวลาและเหนื่อยเปล่าๆยกตัวอย่างเช่นสมัย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 ทำงูปะลาออกมาว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนี้มีแต่ของจริงล้วนจึงแสดงออกมาด้วยความแน่ใจว่าต้องเป็นอย่างนั้นน่ะเป็นต้นเนี่ยการที่จะละาบาปทางกายวาจาใจอืมก็ไม่ใช่เป็นของย่อยเกี่ยวโยงกันกันกนกบจะเสียจะประโยชน์ปัญหา คือข้อสุดท้ายได้แก่ข้อที่สาเป็นทมเกี่ยวโยงกันการจะทำจิตให้เฉลียวฉลาดจากความโง่ที่เป็นพื้นฐานมานั้นก็ต้องได้อาศัยการอบรมการศึกษาจากครูจากตำหรับตำราและอบรมจากครูจากอาจารย์ที่เป็นที่แน่ใจในวิธีการต่างๆที่จะให้เกิดความฉลาดขึ้นมาด้วยจิตตะภาวนา เพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติจึงต้องสำเนีบศึกษาอย่างเอาจริงเอาจังกับครูกับอาจารย์นี่เป็นสำคัญมากเมื่อเราดำเนินทางด้านจิตตภาวนาโดยถูกต้องไม่ผิดแล้วความสงบของใจ แม้ใจจะเคยฟุ้งซ่านลำคานมาแสดงผลให้เผาจิตใจของตนยิ่งกว่าผูเขาไฟก็าตามอย่างไรก็ไม่พ้นสติกับปัญญาศรัท ธ, ธาความเพียรที่นำมาห้ามหันกันกับกิเลสประเภทพาฟุ้งซ่านลำคานนี้ให้สิ้นไปได้โดยไม่ต้องสงสัยต้องได้รับความสงบจากยิตะภาวนาด้วยความมีสติ กำกับงานของตนนี่คือวิธีการจะทำปิดให้มีความฉลาดและให้รู้วิธีละบาปไม่ทำบาปทางใจทางกายทางวาจาออกมานี่เป็นของหยับๆใจเป็นสิ่งสำคัญที่สร้างบาปแก่ให้แก่ตัวเองอยู่เสมอบาปคือความเศร้าหมองบาปคือความมืดตื่นผลของบาปก็คือความทุกข์สร้างอยู่ภายในจิตใจเสมอ เราพยายามหักห้ามความคิดที่เป็นค่าศึกต่อธรรมหม่ว่าความคิดประเภทใดที่เป็นค่าศึกต่อธรรมแล้วก็ก็ชื่อว่าเรากับธรรมนั้นทําลายตัวเองทําลายธรรมซึ่งมีอยู่ในตัวของเราเองสุดท้ายก็เรียกว่าเราทําลายตัวเราเองจรงต้องฝึ ก, กจิตใจให้มีความเฉลียวฉลาดทันกับกลมายาของจิตที่คิดในแง่ต่างๆ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 เหมาะสมกับภาคพื้นเบื้องต้นที่เราจะพิจารณาทางด้านปัญญาคลี่คลายร่างกายนี้ให้เห็นจะชวนมากก็เป็นเรื่องของปฏิกูลเสียก่อนเพื่อจิตจะได้สงบตัวลงไปเพิ่มตัวเข้าไปอีกเพราะคำว่าปฏิกูลหรืออาุภานี้เป็นคู่ปรับกันกับความฟุ้งซ่านนำคาญ ไปด้วยอำนาจแห่งราคะตัณหาซึ่งเป็นตัวคึกขนองอยู่ประจําใจตลอดเวลาตัวนี้เป็นตัวที่กวนมากทําลายจิตใจมากรบพวนจิตใจมากยุแย่มากกระซิบกระซาบมากหาความสงบไม่ได้ใจของค น, คนเราก็เพราะธรรมชาตินี้เป็นผู้ยุแย่ก่อกวนมากยิ่งกว่าทิเหลดประเภทอื่นใด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 ภายในที่สุดในร่างกายนี้แยกขยายกันออกหรือจะกำหนดให้ตายเน่าผ่องกันก็ได้แล้วแตกกระจัดกระจายออกจากกันไปแล้วเป็นสิ่งที่น่าดูหรือไม่ผิวหนังที่ว่าเป็นสิ่งที่สวยงามงเกี้ยงเกาน่ารักใครชอบใจ ก็กลายเป็นของปฏิกูลกันไปหมดเลยไม่มีคําว่าผิวหนังมีตั้งแต่ของปฏิกูลเต็มหมดทั้งภายนอกภายในเห็นได้อย่างชัดเจนตามดับความจิงประคัขั้นนี้ขั้ น, นจิตย่อมสงบตัวเข้ามาจากความฟุ้งเฟอ้อเหื่อหืมราคะตัณหาที่เสกสรรปั้นยอสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ว่าเป็นของสวยของงามเป็นของที่น่ารักให้ชอบใจเมื่อได้พิจารณา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 ถอนตัวเข้ามาโดยลำดับลาดับด้วยนี่คือวิธีการที่จะทำจิตใจให้สงบเป็นอุบายปัญญาคือความฉลาดประเภทหนึ่งนี่ท่านบอกกุศลสู uh, ้ประสัมประธายังจิตของตนให้มีความเฉีเยียวฉลาดกุศลกุศลกุศลกุศลก็คือความฉลาดให้ฉลาดไปอย่างนี้โดยลำดับจะฉลาดในแง่ใดก็ตามถ้าเป็นแง่ จะทำจิตใจให้ถอดถอนจากสิ่งเกี่ยวข้องพัวพันหมดกังวลไปโดยลำดับแล้วชื่อว่าเป็นจิตที่ฉลาดเป็นอุบาที่ชอบทำหรือเป็นอุบาที่ฉลาดเมื่อพิจารณาเห็นอยู่อย่างนี้และถืองานเหล่านี้เป็นงานประจำชีวิตประจำหน้าที่ของตน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 ปัญญาพระพุทธเจา้าปัญญาของสาวกท่านเอามาจากไหนท่านถึงแทงทะลุได้ร่างกายของท่านใหญ่โตขนาดไหนก็เท่าเท่ากันกับพวกเราทั้งหลายทำไมท่านแทงทะลุไปได้หมดปวเครื่องออกได้หมดอันนี้มันจะเหนียวแน่นที่ตรงไหนร่างกายทุกส่วนไม่มีความเหนียวแน่นมั่นคงไปติดไปพันผู้หนึ่งผู้ใ ด, ดกิตใจดวงใดเลยนอกจากใจของตัวเองมันคึกเหมือนขนอง ไม่เขาเรื่อนเขาราวคิดออกนอกลู่นอกทางเศษสันปั้นยอสิ่งที่ปลอมแปลงทั้งหลายว่าเป็นของดิบของดีแล้วสิ่งเหล่านั้นก็มาพัวพันจิตใจเป็นฟืนเป็นไฟเผาร้นตนเองต่างหากไม่เห็นมีอันใดที่จะเป็นไปตามความคิดสำคัญมั่นหมายหรือปั้นยอ น, นั่นเลยนี่การพิจารณาเาพิจารณาให้เห็นอย่างนี้พิจารณาหลายครั้งหลายหนจนเป็นพื้นของจิต สร้างฐานของจิตทั้งสมาธิคือความแน่นหนามั่นคงทั้งฐานของปัญญาให้มีความฉลาด แ, าแยบคแยบคาไปโดยลำดับเพราะการพิจารณาสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นเหมือนหินรับปัญญาให้คมก้ากจิตย่อมมีความเฉลียวฉลาดคล่องตัวไปโดยลําดับสุดท้ายก็ยังเข้าสู่ความจริงโดยไม่ต้องสงสัยถ้าพูดถึงเรื่องปฏิคูลก็เต็มอยู่ตัวอยู่แล้วตลอดเวลาไม่มีการบกพร่องไม่ว่าหลับว่าตื่นเดินเดินด น, นั่งนอน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 เป็นกังวลกับด้านปัญญาด้านพิจานาขี้คลายจิตต่างๆทั้งหลายหมดมีแต่อารมณ์อันเดียวที่จะทําใจให้มีความสงบแล้วทักจิตให้สงบเต็มภูมิเต็มฐานของจิตไม่ต้องห่วงใยกับหน้าที่การงานใดๆที่เคยพิจารณามาเลยราวกับว่าเราไม่เคยพิจารณาอะไรเลยเวลานั้นมีอารมณ์อันเดียวมีจิตมุ่งมั่นอยู่อันเดียวที่จะทําใจให้สงบ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 เทียบเขาเทียบเปล่าเข้าสู่ความจริงอันเดียวกันหมดโลกธาตุนี้ก็เป็นความจริงอย่างเดียวกันหมดเมื่อได้แทงทะลุสิ่งใดสิ่งหนึ่งด้วยความจริงแล้วย่อมสามารถจะแทงทะลุไปหมดทั่วไใจโลกธาตุที่เรียกว่าโล ก, กวีถูเพราะมันเหมือนกันหมดความจริงก็เป็นเหมือนกันหมดพิจารณาสอดแทรกลงไปให้เห็นจริงก็จริงตามกันหมด แล้วจิตจะทนปล่อยวางได้อย่างไรนี่เป็นขั้นของปัญญานี่เรียกว่าทำจิตให้มีความฉลาดก็ฉลาดปดเปลืองสิ่งที่พัวพันอยู่ภายในจิตใจของตนให้หมดไปโดยลําดับําดับนั่นแหละท่านเรียกว่าความฉลาดในด้านธรรมะฉลาดเพื่อถอดเพื่อถอนฉลาดเพื่อความ <c oughs> สงบเย็นใจของตนเองไม่ใช่ฉลาดเพื่อก่อทุกข์เผาลนตัวเอง เหมือนนังโลกทั้งหลายทั่วไปอย่เขาว่าฉลาดฉลาดนั่นมันฉลาดแบบโลกฉลาดแบบธรรมแบบพระแบบนักปฏิบัติต้องฉลาดในการถอดถอนปลดเรื่องอารมณ์ต่างๆให้ทันกับปรมายาของกิเลสที่แสดงขึ้นมาจากใจของตนเองด้วยอุบายของสติปัญญานี่เรียกว่าฉลาด <c oughs> เมื่อความฉลาดมีมากขึ้นมากขึ้น ก็ยอมจะเห็นชัดตามเป็นจริงกว้างขวางออกไปละเอียดรอเข้าไปกิเลสที่เคยคึกเคยขนองสร้างลงช <c oughs> ุรายาเมาลงเพิดลงเพลินลงลำบำลำโป้ลำไปอะไรก็ตามอยู่เคยอยู่บนหัวใจมันจะพังทลายลงไปโดยลาดับจนไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่ภายในในใจนั้นเลยเพราะอานาจของสติปัญญาที่พิจารณาอยู่ไม่หยุดไม่ถอย มีอุบายแห่งการพิจารณาเป็นอุบายที่สดสดร้อนรอนไม่ขึ้นอยู่กับคําว่าพระพุทธเจ้าปริพานธไปนานทำได้ล่วงการผ่านสมัยมานานได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีเป็นธรรมที่สดสดร้อนรอนเป็นมัชชิมาเรียกว่าสดสดร้อนรอน เหมาะกับการปราบกิเลส ข, ของเราอยู่ตลอดเลลวลาหากนํานมาปราบถ้าไม่นํามาปราบแม้จะไปจับทายจีวรของพระพุทธเจ้าอยู่ก็ไม่ได้หมายความว่าปูนนั้นได้ตามเสด็จพระพุทธเจ้าการตามเสด็จพระพุทธเจ้าก็คือการปฏิบัติธรรมที่เหมาะสมสมควรแก่ทา คือเป็นการรื้อถอนเกียรติออกไปด้วยการปฏิบัติโดยชอบธทำโดยสม่ำเสมอนั่นแหละคือ ผ, ผู้ผู้ตามเสด็จพระพุทธเจ้าและการรู้เห็นความจริงมากน้อยโดยลําดับลำดับจนกระทั่งเห็นความจริงเต็มตัดเต็มส่วนก็ชื่อว่าผู้ได้เห็นองค์ตถาคตเป็นลําดับลำดับจนได้เห็นองค์ตถาคตโดยสมบูรณ์ซึ่งท่านท่านประกาวไว้แล้วว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตก็ามหมายที่เห็นความจริงนั่นเอง การปฏิบัติเป็นอย่างนี้เนี่ยการดังจิตให้ฉลาดเมื่อจิตมีความฉลาดภายในตัวจิตก็จะมีความสงบผ่องใสไปได้โดยลำดับการสร้างบาปทางกายวาจาใจก็ลดน้อยลงน้อยลงผลที่สุดจิตก็เพื่อมขึ้นมาในแง่ใดสติปัญญาทันหมดและจิตจะมีโอกาสสร้างบาปที่ไหน เมื่อจิตฉลาดพอแล้วย่อมไม่สร้างบาปขึ้นในตัวเองจิตก็ผ่องใสผ่องแผ้วจากนั้นแล้วก็กลายเป็นจิตที่บริสุทธิ์ขึ้นมาเพราะความฉลาดมีกำลังมากเป็นลำดับกำลังจนถึงขั้นมหาสติมหาปัญญายิเรศจะหลบซ่อนอยู่ที่ไหนเป็นไม่ไม่มีเหลือ ไม่มีเหออำนาจของสติปัญญาขั้นนี้ไปได้จะต้องถูกทำลายไปชิบหายป่นปี้ไปหมดนั่นแหละตอนกิเลสมันชิบหายป่นปี้ไปหมดเพราะอำนาจของสติปัญญาอัตโนมัติแล้วเป็นจิตที่บริสุทธิ์เอตังพุท ธ, ธานาสาสนางนะ่ะพระาว่าของบุญเจ้าทุกองค์ท่านสอนอย่างนี้จิตจะถึงขั้นผ่องใสหรือบริสุทธิ์ได้ด้วยวิธีการ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 เหมาะสมกับจริตนิสัยของสัตว์โลกที่เป็นความซุกซ่าง่ายขี้เกียจขี้คร้านนอนไม่รู้จักตื่นกินไม่รู้จับอิ่มพอแล้วเหมาะสมกับธรรมะของศาสดาองค์นี้ท่านมาสอนแบบนี้เหมาะสมกับสัตว์โลกประเภทนี้แล้วสัตว์โลกก็ได้ผลเป็นที่พึงพอใจตามพระวาทของพระพุทธเจ้าที่สอนอย่างง่ายๆนี้ดังนี้ไม่มี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 คุณค่าของความขี้เกียจขี้คร้านบ้างเลยไม่มีจึงนอกจากเห็นคุณค่าแห่งความภาคเพียรเห็นคุณค่าแห่งความขยันหมั่นเพียรความอดความทนเห็นคุณค่าแห่งความเฉลียวฉลาดทางสติปัญญาของนักปฏิบัติเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นที่จะเป็นทางพ้นจากทุกยิึงขอให้ทําความแน่ใจกับตัวเองอย่าให้มีแต่ครูบาอาจารย์สั่งสอนแทบล้มแทบตายสั่งสอน แต่ละครั้งเราห น, นี้ก็ท่วมลงซะจนจะสลบสาลัยแล้วผู้ฟังถึงใจอย่างไรบ้างหรือไม่ถ้าถึงใจแล้วกิเลสมันก็ควรจะกระเทือนบ้างมันควรจะหาที่หลบที่ซ่อนบ้างมิฉนั้นมันก็ต้องตายไปโดยลำดับพ่อมันไม่ตายลูกมันก็ต้องตายลูกมันไม่ตายหลานมันต้องตายแน่ๆนิเลยถ้าเราฟังอย่างถึงใจ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 ในกิเล ส, สกามวัตถุ ก, กามมันเต็มหัวใจอยู่นี่มีความบกพร่องที่ไหนเวลานี้นี่มันอยู่ที่นี่การาาาวัตถนาภวะัตถนาวิภาวะัตถนาอยู่ที่หัวใจนี้คําว่าสมาธิฏฐิสมาสังกรปปะจนกระทั่ ง, ทงสมาสมาธิเป็นซึ่งเป็นเครื่องมือปราบกิเลสอยู่ที่ไหนถ้ามาอยู่ที่ใจใจไม่ปิดขึ้นมาใครจะปิดขึ้นมาใจไม่นํามาฟาดฟันหันแหลงกับกิเลสผู้ใดจะมาฟาดฟันหันแหลงมาอยูด่ด้วยกันนี้ พกทางใจก็หมดไม่มีจิ่ตใดเหลือเลยนั่นจะมาบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์ที่นี่ถนัดสกิทาประโยชน์ปัณละทำจิตให้ผ่องแพ่จกนกระทั่งถึงความบริสุธิ์ถ้าทําแบบ พ, พ, พระพุทธเจ้าทรงสอนไปแล้วมันต้องบริสุทธิ์ได้จิตเพราะกิเลสเป็นสิ่งที่แก้ได้ปราบได้ทําลายได้ถ้าทําลายไม่ได้และพระพุทธเจ้าไม่มีองค์ใดปรากฏขึ้นในโลกได้ไม่มีผู้ใดบริสุทธิ์ได้ ต้องเป็นคนมีกิเลสแบบ ก, กิเลสตลอดเวลาทุกตัวสัตว์โลกไม่มีแม้แต่ลายเดียวที่จะพ้นทุกข์ได้นี่เราเคยเห็นไม่ใช่หรือสําหรับกํำนาพระพุทธเจ้าที่ตรัสรูม้มานี้กี่ร้อยกี่หมืน่นกี่แสนกี่ล้านพระองค์ด้วนแหน่ตั้งแต่เป็นผู้หลุดพ้นจากกิเลสเหยียบย่าทําลายกิเลสสมมุติภ า, ายจในจิตใจให้ขาดกระเด็นออกไปจากจิตใจทั้งหมดจึงเป็นผู้พ้นโลกแห่งวัฏฏะคือความเกิดแก่เก็ดตายไปเฉยดได้ และสาวกของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นั้นมีจำนวนมากเพียงไรท่านเหล่านี้เป็นผู้หลุดพ้นไปได้หมดเพราะอำนาจมัชฌิมาปฏิ ป, ฏปฏานี้เท่านั้นไม่มีอย่างอื่นที่จะมีอำนาจเหนือกิเลสและกิเลส จ, จะกลัวกลัวเท่านี้กิเลสเราเป็นหน้าปฏิบัติต้องเอาให้จริงให้จังลูกศิษย์ถาคตไม่ปรากฏว่าได้ทรงสั่งสอนให้มีความทอแท้อ่อนแอเลี้ยวไหล เมตตาสอนให้จริงให้จังทุกอย่างไม่ว่ากิจนอกกันใดให้มีสติทำด้วยความตรงใจทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็จะมาเป็นเครื่องสนับสนุนจิตใจของเราภายในนี่แหละสติภายนอกเวลาใช้ภายนอกก็เป็นสติใช้ภายในก็เป็นสติใช้ภายนอกก็เป็นปัญญาใช้ภายในก็เป็นปัญญาคนที่เคยฉลาดสแสดงออกข้างนอกก็ฉลาดสแสดงเข้ามาทางในก็ฉลาดคนที่เคยเคยโง่ เป็นนิสัยสันดานโง่แสดงออาข้างนอกก็โง่แสดงเข้ า, งงขามาภายในก็โง่นั่นมีพระทเจ้าสอนให้กำจัดความโง่เขาเบาปัญญานี้ออกด้วยกุศลสูปรสัมปทามีความเฉลาดยังกิดแ จ, จงตนให้ชฉลาดด้วยการอบรมเมื่อฉลาดแล้วย่อมจะสามารถทราบได้ในทุกสิ่งทุกอย่าง ที่มีอยู่ภายในตนและเกี่ยวข้องกับตน ต, ตลอดโลกธาตุทำไมจะทราบไม่ได้แต่พระเจ้าทรงทราบมาแล้วสาวกทั้งหลายได้ทราบมาแล้วได้พ้นมาแล้วจากมัชฉิมาปฏิปทาเหตุใดเราจึงจะมากอดคําทีมัชฉิมาปฏิปทาตั้งแต่ชื่อกิเลสตั้งแต่ชื่อของธรรมไม่ได้เห็นตัวกิเลสอย่างแท้จริงภายในจิตใจไม่ได้เห็นธรรมอย่างแท้จริงโถขึ้นที่ใจนี้บ้างเลยเราไม่ละอายคํำทีบ้างเหรอ แม้วแม่ละอายพ้าเหลืองมุขเจ้าบังเหลอแม่ละอายบาดสบงจีวรซึ่งเป็นบริขารของท่านผู้รับไทยชนะมาบ้างเหรอ <c oughs> อพี่นะมันจริงที่นักปฏิบัติถ้าลงได้จริงแล้วอย่างไรก็ไม่พ้นที่จะหลุดพ้นไปได้วันนี้ได้อธิบายถึงเรื่องธรรมสามข้อสรุปลงแล้วก็มาอยู่ที่สกิตะประโยชน์ดับปานัง <c oughs> เป็นพราะว่าของมุขเจ้าทั้งมวลทีเดียวมีรวมเท่านี้ ไม่มีอย่างอื่นจะพาคนสงสัยไม่ปรากฏว่ามีอู่มีเปลมีหมอนอืมีความสะดวกสบายสําหรับรับรองพวกเราที่คนเป็นคนขี้เกียจไว้ให้อยู่สบายสบายที่เด็ดเรานอนหลับอยู่ที่เด็ดก็หลุดลอยไปหลุดลอยออกไปอยู่บนเปะบนหมอนที่ไหนที่นอนหมอนมุ้งที่ไหนอืความเพลิดความเพลินอยู่สบายสบายด้วยความสบายก็ตามที่เด็ดหลุดไปลอยไปไม่มีในหลักธรรมพระเจ้า มีแต่ฟาดฟันลงไปด้วยวราให้มันสะบั้นหันแหลกกันลงไปด้วยคำท่าเขียนเอาตายก็ตายลูกศิธสถาโคตตายในสนามโลกเป็นเกียตรติแก่ตัวเองมีแต่อย่างนั้นมี่ทาทั้งสามข้อนี้ก็ได้อธิบายให้ท่านทั้งหลายฟังเป็นสิ่งสำคัญและผู้ที่จะนำ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 เป็นภาคปฏิบัติเท่านั้นเป็นผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะเป็นผู้รู้ผู้เห็นจะเป็นผู้ดิบต่อสู้ในสงครามและผลที่พึงได้รับได้จากชัยชนะก็คือผู้ปฏิบัตินี้เท่านั้นจะเป็นผู้ทรงมากทรงผลเต็มหัวใจมีอยู่เท่านี้ไม่มีอย่างอื่นขอให้พากันเป็นที่เข้าใจลงใจกับการปฏิบัตินี้คือเพื่อมรรคผลนิพพาน จะสมมติสมหมายในวันต่อไปนี้ท่านปัญญาอธิบาย ห, หมู่เพื่ อ, อ, อนใช่เป็นอะไร